สันนิวิธิคกราบครัวข่าวสทศรอยเ106้อยหกขพเจ้ า, ราพระมหาภัยบุญอภิบุโนโจากวปาระนยโศกในช่วงของตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในแต่ละวันก็จะนําเรื่องราวที่หลากหลายมาให้ท่านบูฟังฝังสามวันแรกคืออาจรย์ในการพูดนั้นก็มาพบกับท่านบูฟังโดยการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้ง ส่วนวันเพื่อนและบรนศุกรนั้นก็มาพร้อมกับคุณสรนสนีนักพงในการพูดคุยธรรมะในประเด็นต่างๆในวันนี้พระพเจ้าก็จะนําเรื่องราวเทคนิคในการที่เราจะระ ง, งับความโศกที่เกิดขึ้นจากการที่ถ้เราสูญเสียคนที่เรารักไปตัวอย่างนิทานที่จะให้ฟังในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของนางกีสาโกตมีอันนี้เป็นเทคนิคอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าใช้ให้นางกีสาโกตมีนั้นได้ มีสติขึ้นคือนางกีสาวโกตมีนั้นเสียใจที่ลูกตายในเรื่องราวของนางเป็นยังไงเราจะมาฟังกันในเรื่องราวที่สองก็เป็นเรื่องราวของกุดุมพีคนหนึ่งเขาเสียใจที่ลูกตายเหมือนกันแต่ว่าเทคนิคในการที่พระพุทธเจ้าใช้ในการที่ให้ระงับความโศกนั้นแตกต่างกันเดี๋วเามาฟังสองเรื่องแรกกันนี้ก่อนในเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราสูญเสียคนที่เรารักแซึ่งในที่นี้ก็คือ ลูกของตัวเองเรื่องนางกีสาโคตมีพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันทรงประรบนางกีสาโคตมีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังอมตังบะทังเอกาหัง ชีวิตังเสยโยปัสสะโตอมาตังปทังก็ผู้ใดไม่เห็นบทอันไม่ตายพึงเป็นอยู่ร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นบทอันไม่ตายประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นตอนทรัพย์ของเศรษฐีกลายเป็นเท่าฐานก็ได้ยินว่า ซับสีโกดในเรือนของเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีได้กลายเป็นเท่าฐานทั้งหมดเศรษฐีเห็นเหตุนั้นเกิดความเศร้าโศกจึงห้ามอาหารเสียคือกินข้าวไม่ลงนอนอยู่บนเตียงน้อยชายผู้หนึ่งของเศรษฐีนั้นถามว่า mm. ก็เหตุไรท่านจึงเศร้าโศกเล่าเพื่อน ได้ฟังความเป็นไปนั้นแล้วสหายจึงกล่าวกินว่าอย่าโศกไปเลยเพื่อนฉันทราบอุบายอย่างหนึ่งท่านจงทาตามอุบายนี้เถิดก็ทำอย่างไรเล่าเพื่อนท่านจงทาอย่างนี้คือจงปูเสือลำแพนที่ตลาดของตนนาฐานนั้นทั้งหมดให้เป็นกองเอาไว้ที่ตลาดจงทํานั่งเหมือนว่าจะขายบรรดามนุษย์ ผู้ใดที่มาแล้วผู้ที่พูดอย่างนี้ว่าก็คนอื่นเขาขายผ้าขายน้ำมันขายน้ำพึ้งและขายน้ำอ้อยเป็นต้นส่วนท่านนั้นมานั่งขายทานท่านก็ปพิงพูดกับคนเหล่านั้นว่าก็เราไม่ขายของของตนแล้วจะทำอะไรส่วนถ้ามีผู้ใดพูดกับท่านอย่างนี้ว่าคนอื่นเขาขายของต่างๆ ส่วนท่านนั้นนั่งขายเงินและขายทองท่านก็พึงกล่าวกับบุคคล น, นั้นว่าก็เงินทองอยู่ที่ไหนเล่าก็เมื่อบุคคล น, นั้นพูดขึ้นว่าอยู่ที่นี้แล้วชี้มาที่กองฐานท่านก็พึงพูดกับเขาว่าถ้าอย่างนั้นจงนําเงินทองนั้นมาก่อนผู้นั้นก็จะหยิบกองฐานนั้นขึ้นแล้วท่านก็รับ ด้วยมือทั้งสองของที่เขาให้ในมือท่านซึ่งเป็นกองฐานนั้นก็จะกลับกลายเป็นเงินและทองก็ผู้ที่ทำอย่างนั้นถ้าเป็นหญิงสาวแรกรุ่นท่านจงนำมาให้เป็นภรยาเพื่อบุรของท่านในเรือนและมอบทรัพย์40โกดให้แก่นางพึงใช้สอยเงินทองที่นางนั้นให้ถ้าเป็นเด็กชายท่านพึงให้ ทิดาผู้เจริญวัยในเรือนของท่านให้เป็นภรยาของเขาแล้วมอบรัพย์40โกดให้แก่เขาใช้แล้วใช้สอยรัพย์ที่เขาให้จากการที่หยิบก้อนฐานนั้นให้กลับคืนเป็นทองเศรษฐียอมรับว่าอุบายนี้ดีจึงทำฐานนั้นให้เป็นกองว้ในร้านตลาดของตนนั่งทําเหมือนจะขาย คนเหล่าใดพูดกับเศรษฐีว่าก็คนที่เหลือเขาขายผ้าขายน้ำมันกันท่านมานั่งขายทานก็ให้คำตอบกับคนเหล่านั้นว่าฉันไม่ขายของของตนจะทำอย่างไรตอนท่านกลับกลายเป็นทรัพย์อย่างเดิมครั้งนั้นหญิงรุ่นสาวคนหนึ่งปรากฏชื่อว่ากิสาโคตมี พระนางมีสตรีระแบบบางเป็นธิดาของตระกูลเก่าแก่ไปยังประตูตลาดด้วยกิจอย่างหนึ่งของตนเห็นเศรษฐีนั้นแล้วจึงกล่าวขึ้นว่าพ่อชนที่เหลือเขาขายผ้าขายน้ํามันขายน้ําผึ้งและน้ําอ้อยเป็นต้นทําไมท่านจึงนั่งขายเงินและทองเศรษฐีจึงกล่าวขึ้นว่าก็เงินทองอยู่ที่ไหนล่ะแม่ ก็ท่านนั่งจับเงินทองนั่นเองมิใช่หรือแม่เธอจงนำเงินทองนั้นมาก่อนนางจึงกอบทานขึ้นเต็มมือแล้ววางไว้ในมือของเศรษฐีนั้นทานนั้นได้กลายเป็นเงินและทองท้งนั้นลาดับนั้นเศรษฐีถามว่าแม่เรือนของเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อนางตอบว่าอยู่ที่โนน ก็รู้ความว่านางยังไม่มีสามีแล้วจึงเก็บทรัพย์เหล่านั้นนำมาเพื่อบุรของตนให้รับทรัพย์40โกดไว้ทรัพย์ทั้งหมดได้กลายเป็นเงินและทองดังเดิมสมัยอื่นอีกนางได้ตั้งกันโดยการล่วงไป10บเดือนนางคลอดบุตรคนหนึ่งต่อมาบุตรนั้นได้ทำกาละ คือตายแล้วในเวลาที่เริ่มเดินได้นางห้ามพวกชนที่จะนำบุตรนั้นไปเผาพระนางไม่เคยเห็นความตายอุ้มร่างบุตรที่ตายแล้วด้วยเสลด้วยหวังว่าจะหายามาเพื่อรักษาบุตรจึงเที่ยวถามไปตามเรือนทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายรู้จากยาเพื่อที่จะรักษาบุตรของฉันบ้างไหมในที่นั้นคนทั้งหลาย ก็พูดกับนางว่านี่เธอเจ้าเป็นบ้าแล้วหรือเจ้าเที่ยวถามถึงยาเพื่อบุตรที่ตายแล้วนางก็ยังมีความคิดว่าเราจะต้องได้คนผู้รู้จักยาเพื่อรักษาบุตรของเราเป็นแน่จึงได้เที่ยวไปหายานั้นอยู่เรื่อยไปที่นั้นบุรุษผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งเห็นหนางแล้วจึงคิดว่าหญิงผู้นี้ คลอดบุตรคนแรกไม่เคยเห็นความตายเราจะเป็นที่พึ่งของหญิงนั้นจึงกล่าวว่าแม่ฉันไม่รู้จักยาแต่ฉันรู้จักคนผู้รู้ยานางโกตมีจึงถามว่าใครรู้ล่ะพ่อแม่พระศาสดาทรงทราบเธอจงไปทูลถามพระรงองค์เถิดนางทราบความดังนั้นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้วยืนอยู่นะที่ข้างหนิงทูลตามบ่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทราบบ้าพระองค์ทรงทราบยาเพื่อบุตรของหม่อมฉันอย่างนั้นหรือราาพระชจ้าาพระศาสดาตอบบ่าถูกแล้วโคตมีเราทราบอยู่ก็ยานั้นต้องมีส่วนประกอบอย่างไรพระชจ้าาต้องได้เมล็ดพันธุ์บากสักหยิบมือหนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จะได้ในเรือนของผู้ใดพระเจ้า้าโกตมีมเมล็ดพันธุ์ผักกาดนั้นจะต้องได้ในเรือนของบุคคลผู้ที่ไม่มีชายหรือหญิงผู้ใดผู้หนึ่งที่เคยตายในเรือนนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดีละ่ะข้าพระเจ้าจะไปหาดังนั้นแล้วได้ถวายบังคมพระศัสดาอุ้มบุตรที่ตายแล้วด้วยเสยเอ เข้าไปภายในบ้านยืนที่ประตูเรือนหลังแรกถามว่ามเมล็ดพันธุ์ผักกาดในเรือนนี้มีบ้างไหมทราบว่านั่นเป็นยาเพื่อบุรของฉันเมื่อเขาตอบว่ามีนางโคตมีจึงกล่าวขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นจงให้แก่ฉันบ้างเถิดเมื่อคนเหล่านั้นนำมเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาให้เธอแล้วนางโคตมีก็ตามเ่าว่า ท่านผู้เจริญก็ในเรือนนี้เคยมีบุตรหรือทิดาที่เคยตายบ้างหรือไม่เมื่อเขาตอบว่าเคยมีอยู่นางจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงรับมเมล็ดพันธุ์ปรกกาศของท่านคืนไปเถิดนั่นไม่ใช่เป็นยาเพื่อบุรของฉันแล้วได้ให้คืนไปนางเที่ยวทําตามลำดับโดยทํานองนี้ตั้งแต่เรือนหลังแรก นางไม่ได้รับเมล็ดพันธุ์อกาศแม้จากสักเรือหนึ่งก็ในเวลาเย็นจึงได้สติขึ้นมีความคิดว่าโอ้หนอกรรมนี้หนะักเราได้ทําความสําคัญว่าบุตรของเราเท่านั้นที่ตายก็ในหมู่บ้านนี้ทั้งสิ้นคนที่ตายมีมากกว่าคนเป็นเมื่อนางคิดอยู่ดังนี้หัวใจที่อ่อนด้วยความรักบุตร ได้ถึงความเข้มแข็งแล้วนางทิ้งบุรไว้ในปา่าไปยังสำนักของพระศาสดาถาวายบังคมแล้วยืนอยู่นัที่ควรข้างหนึ่งลำดับนั้นพระศาสดาได้ตรัสกับนางว่าโกตมีเธอได้เมล็ดหันผักกาศสักหยิบมือหนึ่งแล้วหรือไม่ข้าแต่พระง์ผู้เจริญถ้าพระองค์ไม่ได้เลยพระชจ้้าเพราะในหมู่บ้านนั้นทั้งสิ้น คนตายนั่นแหละมากกว่าคนที่เป็นไม่มีเรือนหลังไหนเลยที่ไม่มีบุตรหรือธิดาที่ไม่เคยตายแล้วลำดับนั้นพระศาสดาจึงได้ตรัสกับนางว่าโคตมีเธอเข้าใจว่าบุตรของเราคนเดียวเท่านั้นตายความตายนั่นเป็นธรรมยั่งยืนสำหรับสัตว์ทั้งหลาย้วยว่ามัจจุราชชุดกล้าสัตว์ทั้งหมด ผู้มีอัตยาสัยยังไม่เต็มเปี่มนั่นแหละลงในมหาสมุทรคืออบายดุดห่วงน้ำใหญ่พัดพาผู้หลับไหลไปฉะนั้นเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงได้ตรัสพระคถานี้ว่าบริสตย่คือความตายย่อมพาชนผู้มัวเมาในบุตรและสัตว์ของเลี้ยงผู้มีใจสัน้นไปในอารมณ์ต่างๆไปดุด พวงน้ำใหญ่พัด ช, ชาวบ้านผู้หลับไหลไปเะนั้นในการจบประกาศานางกิสาโกตมีดำรงอยู่ในโซดาปฏิผลแม้ชนเหล่าอื่นเป็นอันมากก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละฝ่ายนางกิสาโกตมีนั้นทูลขอเป็นประชากับพระศาสดาแล้ว พระศาสดาท่งส่งไปยังสำนักของนางภิกษุณีให้บรรพชาแล้วนางได้อุปสมบทปรากฏชื่อว่ากิสาโคตมีเทระวันหนึ่งนางถึงวาระในโรงอุโบสถนั่งตามประทีปเห็นเปลวเพลิงลุกโผลงขึ้นและรีลงได้ถือเป็นอารมว่าสัตว์เหล่านี้ก็อย่างนั้นเหมือนกัน เกิดขึ้นและดับไปดังเปลวประทีป พ, พูดถึงพระนิพพานย่อมไม่ปรากฏอย่างนั้นดังนี้พระศาสดาประทับนั่งอยู่ในพระคันธ ก, กุฎีนั่นแหลทรงแผ่พระรัศมีไปดังนั่งตรัสตรงหน้าของนางแล้วตรัสขึ้นว่าอย่างนั้นแหละโกตมีสัตว์เหล่านั้นย่อมเกิดและดับเหมือนเปลวประทีป ถึงปรานิพานแล้วย่อมไม่ปรากฏอย่างนั้นความเป็นอยู่แม้เพียงขณะเดียวของผู้เห็นปรานิพานประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ตั้งร้อยปีของผู้ไม่เห็นปรานิพานอย่างนั้นแต่นี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมสืบอนุสนธิจึงได้ตรัสพระคถานี้ว่าโยจะวัสะสะสตังชีเว อปัสสังอะมะตังปะทังเอกาหังชีวิตยยะะตังเสโยปัสตาตังอะมะตังปะทังก็ผู้ใดไม่เห็นบทอันไม่ตายพึงเป็นอยู่ร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นบทอันไม่ตายประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นในบรรดาคำว่าอมาตังปะทัง คือบทอันไม่ตายหมายความว่าอมตะมหานิพพานอันเป็นส่วนที่เว้นจากมรณะในการจบพระกาานางกีสาโคตมีนั่งอยู่ตามเดิมนั่นแหละดำรงอยู่ในพระอารหันต์พรอ้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายเรื่องนางกีสาโคตมีจบนั่นคือเรื่องของนางกีสาโคตมีท่านผู้ฟัง ที่เสียใจจากการที่ลูกตายแต่ก็ได้สติจากการที่พระบุญชานั้นได้ให้ไปหาเมล็ดพันธุ์ปักกาดจากบ้านที่ไม่มีคนตายเอา้ามันไม่มีเลยแต่ก็จะเป็นธรรมะที่ให้นางกิสาโคตมีนั้นพราว่าอ๋อมันมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกทุกๆคนแต่เป็นธรรมที่ยั่งยืนแน่นอนเป็นธรรมะที่ทุกๆคนก็เจอไม่ใช่เฉพาะาเราเจอต่นนั้นได้สติตรงนี้ขึ้นมา แต่พอมาได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้ให้เห็นถึงความที่ถ้าเรามีความมัวเมาในสิ่งของที่เรารักจิตใจของนั้นก็จะถูกพัดพาไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นมันตรงกับใจของผู้ที่ฟังพอดีนะท่านผู้ฟังคือนางากิสาโกตมีเนี่ยใจเนี่ยถูกพัดไปตามของรักแต่มันพาไปให้เราโศกโศกตามนั้นไปพระพุทธเจ้าจี้ไปที่จุดตรงนี้พอดีนางจึงมีความเข้าใจจำแจ้งมีดวงตาเห็นธรรม นิได้ถึงความที่มีทิฏฐิที่ถูกต้องเสร็จแล้วก็ทูลขอบวชธรรมบุญฝังอย่างเรื่องราวที่เราได้ยินอันนี้คือเป็นส่วนที่เป็นประวัติของนายกิสาโคตมีด้วยนะในส่วนที่นางนั้นก็ได้บรรลุธรรมขั้นสูงหลังจากการที่เห็นนิมิตต่างๆตอนที่ล้างเทาในอีกเทคนิคหนึ่งธรรมบุญฝังที่พระพุทธเจ้าใช้ในการระงับความโศกในเรื่องที่สอนนี้ก็เป็นเรื่องของกุฎุมพีคนหนึ่งก็บอว่ากุฎุมพีนี้นก็หมายถึงเศรษฐีเป็นคนที่ มังมีมีอันจะกินแต่ก็สูญเสียลูกของเขาไปเทคนิควิธีนั้นมีความแตกต่างกันในการที่พระพุทธเจ้าบอกสอนให้กุดุมพีคนนี้นันรักความโศกที่เกิดขึ้นเรามาฟังเรื่องของกุดุมพีคือเศรษฐีคนนี้กันเรื่องกุดุมพีคนใดคนหนึ่งพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบกุดุมพีคนหนึ่ง รัพระธรรมเทศนานิวาปิยโตชาตีโสโกปิยโตชาตีพยังปิยะโตวิปะมุตตัสะนติโสโกกุโตพยังแปลว่าความโศย่อมเกิดแต่ของรักภัยย่อมเกิดแต่ของรัก ความโศกย่อมไม่มีแกผู้ปลดเปลื้องได้จากของรักแล้วภัยจะมีแต่ที่ไหนเล่าความพิสดาร่ากุดุมพีนั้นครั้นบุตรของตนทากาละคือตายแล้วอันความโศกถึงบุตรครอบงมแล้วก็ไปสู่ปาชา้าร้องห้าอยู่ไม่อาจจะหักห้ามความโศก ถึงบุตรได้พระศาสดาพิจารณาดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นอุปนิสัยโสดาปฏิมาคของกุฎุมผีนั้นครั้นเสด็จกลับจากบินตบาทแล้วได้ทรงพาภิกษุผู้เป็นปัจฉาสมณนะรูปหนึ่งเสด็จไปที่ประตูรเรือนของกุฎุมผีนั้น กุดุมพีนั้นได้ฟังความที่พระาศาสดาเสด็จมาคิดบ้าพระาศาสดาคงประสงค์จะทำปฏิสันฐานกับด้วยเราเขาจึงอัญเชิญเสด็จพระาศาสดาให้เข้าไปในสู่เรือนปูอาศนะไว้ท่ามกลางเรือนเมื่อพระาศาสดาประทับนั่งแล้วเขาก็มาถวายบังคมแล้วนั่งที่ส่วนควรข้างหนึ่งลำดับนั้น พระศาสดาตรัสถามกุดุมพีนั้นว่าอุบาโศกท่านต้องทุกข์เพราะเหตุอะไรเนาะแลเมื่อกุดุมพีนั้นกราบทูลว่าทุกข์เพราะพลัดพรากจากบุตรแล้วพระศาสดาจึงได้ตรัสว่าอุบาโศกอย่าคิดเลยชื่อว่าความตายนี้มิใช่มีอยู่ในที่เดียวและมิใช่มีเฉพาะแก่บุคคลผู้เดียว ก็ชื่อว่าความเป็นไปแห่งพบยังมีอยู่เพียงใดความตายก็ย่อมมีแกสรพสัตเพียงนั้นเหมือนกันแม้สังขารอันหนึ่งที่ชื่อว่าเที่ยงย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นท่านพึงพิจารณาโดยผู้บายอันแยบคายว่าธรรมชาติมีความตายเป็นธรรมดาตายเสร็จแล้ว ธรรมชาติมีความแตกเป็นธรรมดาแตกเสร็จแล้วก็ไม่พึงเศร้าโศกเพราะบัณฑิตในสมัยโบราณทั้งหลายในการที่ลูกรักตายแล้วพิจารณาว่าธรรมชาติมีความตายเป็นธรรมดาตายเสร็จแล้วธรรมชาติมีความแตกเป็นธรรมดาแตกเสร็จแล้วอย่างนี้ก็ไม่ทำความเศร้าโศกจริญมรณะสติอย่างเดียว ่ังนี้กุดุมพีนั้นจึงได้ทูลถามว่าค่า่ายพระองค์ผู้เจริญก็บัณดิตพวกไหนได้ทำแล้วอย่างนั้นและได้ทำในการไรขอพระองค์จงตรัสบอกพระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงทรงนำอดีตนิทานมาในอุรคาชาดกในปัญจการนิบาตและได้ตรัสคำที่เป็นกาถาว่า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 และอธิษฐานคือตั้งใจทำการงานเพราะฉะนั้นท่านอย่าคิดว่าลูกรักของเราทำกาละแล้วแท้จริงความโศกก็ดีภัยก็ดีเมื่อจะเกิดย่อมอาศัยของรักนั่นเองเกิดดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคถานี้ว่าปิยโตชาติตีโศโกโปิยโตชาติตี พยังปิยะโตวิปปมุตตสะนัติโสโกโกุโตพยังความว่าความโศกย่อมเกิดแต่ของรักไพ่ย่อมเกิดแต่ของรักผู้ที่หลุดพ้นจากของที่รักความโศย่อมไม่มีไพ่จะมีแต่ที่ไหนก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าปิยะโต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 ในการจบเทศนากุฎุมพีนั้นตั้งอยู่แล้วในโสดาปฏิผลเทศนาได้มีประโยชน์แก่ชนผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แหลเรื่องกุฎุมพีคนใดคนหนึ่งจบในเรื่องของกุฎุมพีที่เป็นอยู่ในวัณหพรามคนนี้เทคนิควิธีที่พระพรุทธเจ้าใช้ในการบอกสอนให้เขาคลายจากเรื่องของความทุกข์เนี่ยก็คือการเล่าเรื่อง ที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตตรงนี้เขาในท้องเรื่องใช้เรื่องที่ชื่อว่าอุรักษาชาดกแต่เป็นชาดกนั่นเองเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเอามาเล่าแต่ก็คือประวัติของตัวพระองค์เองนั่นแหะสมัยที่เกิดในชาติก่อนๆได้สูญเสียลูกไปแต่ก็มีความคิดระลึกขึ้นได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ก็ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจแต่ตั้งใจทําการงาน อย่างต่อเนื่องต่อไปได้อธิบายถึงความโศกของบุคคลและบุฟังที่เกิดจากความรักแต่ความโศกเกิดจากความรักความรักไม่ได้นำความยินดีความพอใจมาให้แต่นำความโศกมาให้นั่นเป็นความอธิบายที่ถ้าเราเพ่ง้าไปดูดีๆพิจารณาดูให้มันต่องแท้เนี่ยเราจะเห็นว่าทั้งความโศกและภัยเกิดจากความรักแน่นอนในส่วนที่เป็นคาถาตรงคาตรัสตรงนี้ แต่ว่าทั้งของรักของอะไรต่างๆก็ตามยังมีเรื่องราวของนางวิสาขาอีกเหมือนกันในที่สูญเสียหลานของตัวเองนางกุดุมปีคนนี้เขาเสียลูกนางวิสาขาเสียหลานในที่เสียใจเศร้าโศกก็แปลว่าความรักก็แปลว่าความยินดีนั่นเองนำะมาฟังเรื่องของนางวิสาขาที่สูญเสียหลานคราวนี้เทคนิควิธีที่พระพุทธเจ้าใช้ก็จะเป็นอันเดียวกันละคือให้ทราบถึงเหตุ ของความโศกที่เกิดขึ้นพอตัวเองรู้เหตุแล้วละความยินดีละความพอใจในสิ่งนั้นเสียแ้วก็คลายความโศกได้เรามาฟังเรื่องของนางวิสากากันเรื่องนางวิสาขาอุบาสิกาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบนางวิสาขาอุบาสิกาตรัสพระธรรมเทศนานิวา เปมะโตชายตีโสโกเปมะโตชายตีพยังเปมะโตวิปปมุตตสะนัตถิโสโกกุโตพยังความโศกย่อมเกิดแต่ความรักภัยย่อมเกิดแต่ความรักความโศกย่อมไม่มีแกผู้พ้นวิเศษแล้วจากความรัก ใทยจะมีแต่ที่ไหนตอนพระศาสดาตรัสอุบายระ ง, งับความโศกได้ยินว่านางวิสาขานั้นตั้งกุมาริกาชื่อสุทัตตีผู้เป็นทิดาของบุตรไว้ในหน้าที่ของตนให้ทำความควนขวายแก่ภิกษุสงฆ์ในเรือนโดยสมัยอื่น กุมาริกานั้นได้ทํากาละคือตายลงแล้วนาะงวิสาขาให้ทําการฝังศรีระคือศพของนางไม่อาจโจดกลั้นความโศกไว้ได้มีทุกเสียใจไปสู่สํานักของพระศาสดาถวายบ่งคมแล้วนั่งหนะ้ที่ส่วนข้างหนึ่งลําดับนั้นพระศาสดาตรัสกับนางว่าวิสาขา ทาไมหนอเธอจึงมีทุกข์เสียใจมีหน้าชุ่มด้วยน้ำตานั่งร้องไห้อยู่น่งจึงทูลข้อความนั้นแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางกุมาริกานั้นเป็นที่รักของหม่อมฉันเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยข้อวัดบัดนี้หม่อมฉันไม่เห็นใครเช่นนั้นวิสาขาก็ในกรุงสาบถี มีมนุษย์ประมาณเท่าไรแค่แต่พระองค์ผู้เจริญก็พระองค์นั่นแหละตรัสแก่ม่อมฉันว่าในกรุงสาวัตถีมีชนประมาณ7โกรคือ70ล้านวิสาขาก็ถ้าชนมีประมาณเท่านี้เท่านี้พึงเป็นเช่นกับหลานสาวของเธอใซ้เธอจะบึงปรารถนาเกาอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข วิสาขาก็ชนในกรุงสาวัตถีทำกาละวัละเท่าไรเป็นจำนวนมากพระชจ้าาวิสาขาก็ถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้เวลาที่เธอจะเศร้าโศกก็จะไม่พึงมีมิใช่หรือเธอพึงเที่ยวร้องไห้อยู่ทั้งกลางคืนและกลางวันทีเดียวอย่างนั้นหรือถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นจงยกไว้เถิด มอมฉันทราบแล้วลาดับนั้นพระศาสดาจึงได้ตรัส ก, กับนางว่าถ้ากระนั้นเธออย่าเศร้าโศกความโศกก็ดีความกลัวก็ดีย่อมเกิดแต่ความรักดัง น, นี้แล้วจึงได้ตรัสพระคถานี้ว่าเปมะโตไชยตีโซโกโเปมะโตไชยตีพยังเปมะโต วิปปมุตตะสะนัตถิโสโกโกุโตพยังความโศย่อมเกิดแต่ความรักไพย่ย่อมเกิดแต่ความรักความโศย่อมไม่มีแกผู้พ้นวิเศษแล้วจากความรักไพจะมีแต่ที่ไหนก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเปมาโตคือแต่ความรักหมายกว่าว่าเพราะ อาศัยความรักที่ทำไ้ในบุตรและธิดาเป็นต้นนั่นเองในการจบเทศนะวนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นนังนี้แหละเรื่องนางวิสาขาอุบาสิกาจบไม่ว่าเราจะสูญเสียใครในบุฟังจะเป็นคนที่เรารักจะเป็นญาติเป็นคู่ครอง หรือเป็นลูกก็าตามเอ้เรื่องของความตายนี่มันเกิดขึ้นแน่นอนแต่คนที่ถ้ามีความเกิดมาแล้วความตายก็จะเป็นสิ่งที่เราหวังได้ในเมื่อเราจะมีความตายเกิดขึ้นแต่ตัวเราเองแต่ถตัวพูดถึงตัวเราเองเนี่ยจะมีความตายเกิดขึ้นเราต้องมาพิจารณาก่อนว่าเอถ้าเราจะตายไปเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่ละถ้ายังมีสิ่งที่เป็นบาปอากุศลธรรมอยู่ในใจอันนี้มันจะไปไม่ดี แต่เรายังมีอยู่ยังละมันไม่ได้ให้รีบจัดการมันเสียตรงนั้นซึ่งถ้าเผื่อว่าเราละได้แล้วดีแล้วนั่นก็ให้อยู่ด้วยความสบายใจอันนี้คือเรื่องของตัวเองแต่ถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นคนที่เรารักแต่สิ่งที่จะเป็นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเราก็แง่มุมเดียวกันนะในการที่จะเปรียบเทียบสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมที่จะเกิดขึ้นคือความกำหนัดยินดีมัวเมาลุ่มหลงเพลิดเพลินซึ่งมาในรูปของการก็ตาม มาในรูปของความรักก็ตามมันในรูปของความยินดีก็ตามซึ่งตัวนี้มันเป็นเหมือนกับลูกศรที่แทงเข้าไปดังนอีกตอนที่เรารักเพลินรุ่มหลงเนี่ยถูกแทงแล้วไม่รู้ตัวเพราะว่าชาอยู่แต่ชาอยู่จากพิษของมันคืออวิชชาลูกศร อ, อาบยาพิษนะท่านผู้ฟังลูกศรคือตัณหาพิษของมันคืออวิชชาแต่พิษที่ทิ่มเข้าไปมันชาอ ย, อยู่จนไม่เราไม่รู้สึกตัวว่าถูกแทงแล้ว แต่พอพิษมันวิ่งเข้าสู่หัวใจเท่านั้นละ่ะแล้มันจะเจ็บจีดมากเลยแต่ยป็นยังกรณีเรื่องต่างๆที่เอามาให้ฟังที่นี้ น, น, นางกีสาโกดมีเป็นต้นนํารามที่มีอัญชกินเป็นเรื่องที่สองแล้วก็เรื่องของนางวิสาขาอุบาสิกาเนี่ยเป็นเรื่องที่สที่ว่าถูกพิษคืออวิชานะเนี่แล่นเข้าสู่หัวใจตอนถูกแทงแลนะด้วยความรักที่ตัวเองรักไปนั้นไม่ได้เห็นไม่ได้รู้ไม่ทันสังเกต นนคืตันหาเหมือนกับเป็นลูกศรเพราะฉะนั้นจะไม่ให้มีความโสกได้ต้องถอนลูกศรคือตันหาให้ออกแต่จะถอนลูกศรคือตันหาออกให้ได้แต่มันถูกแทงไปแล้วนี่เราจะต้องตรวจหาจุดที่มันแทงซะก่อนแต่โดยใช้สติเป็นคเครื่องตรวจหาหัวลูกสอนปัจชาว่าแต่ใช้สติเป็นคเครื่องตรวจหาหัวลูกศรเจอแล้วมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ให้เอามีดคมๆเนี่ยปาดเปิด ปากแผลออกปาดเข้าไปเปิดปากแผลออกแล้วก็เอาลูกศร น, นั้นออกเอาลูกศร อ, ออกเสร็จแล้วก็ใส่ยาเข้าไปเพราะฉะนั้นตอนที่เราเอามีดคมๆเปิดปากแผลซึ่งมีดนั้นก็หมายถึงปัญญา น, นั่นเองในการที่จะพิจารณาบ้างในการที่จะเห็นตามเป็นจริงบ้างแต่นะว่าทําคือความตายเกิดขึ้นในการที่จะเห็นตามตัวอย่างว่าบุคคลที่ เ, ทเขาเคยทํามาเขาก็มีอย่างนี้อันนี้คือลักษณะของการที่เราใช้ปัญญาในการใ ก, ารรากล้ควรพิจรารณานะังทาอย่างนี้ละเราก็สามารถที่จะ เอาลูกสอนคือเจตนาออกได้สัญญาเข้าไปทําให้พิษคืออวิชานั้นก็ค่อยๆเลือนลางจางหายไปนะสําหรับคนที่ประสบปัญหาในด้านนี้นะการฟังการใครใ่ครวญพิจารณานี้ก็จะช่วยไดนะ้ก่อนที่เราจะไปเจอปัญหานี้เราใครใ่ครวญพิจารณาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนนะเพื่อว่าเวลาที่เราเจอซึ่งเจอแน่นอนแล้วนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ใครสักคนใดคนหนึ่งนที่ต้องเจอเมื่อเจอแล้ว ถ้าเราเตรียมตัวไว้อย่างดีเราก็จะมีความทุกข์ที่ลดน้อยลงนั่นเองวันนี้ครับชาพระหมาไปบุญอภิปุโ น, โนจากวัดป่าดอนไหนโชคก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สจริดีคร